ตะภควะโตอะระหะโตสัมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลตสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้ปรินิพานน้นแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระธรรมคำสอนดังนี้วิยุนชันติสติมันโดนานิเกเตเระมันติเตหังสาวาปลาลลังหิตวาโอกามโมกังชาหันติเต ท, ท่านผู้มีสติย่อมออก ท่านย่อมไม่ยินดีในที่อยู่ท่านละความห่วงใยเสียเหมือนฝูงหงษ์ละเปลือกตมไปฉะนั้นขอเจริญเมตตาต่อท่านสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาผู้ศรัทธาในการฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านลำดับต่อไปนี้อัตมภาพจะได้นำชีวประวัติอันทรงคุณค่า ควรแก่การฟังและจดจำเพื่อให้เกิดความปิติใจของท่านพระมหากัสปะเถระผู้เป็นยอดพระหันผู้เลิศในทางสมาทานทุดงสรรเสริญทุดงซึ่งประวัติของท่านได้แสดงมาหลายครั้งแล้วยังไม่สิ้นสุดเนื้อความแต่เท่าที่ได้แสดงไปแล้วก็นับได้ว่า ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่หาผู้เปรียบปรานไม่ได้เราที่เกิดในเบื้องหลังได้ฟังชีวประวัติคุณธรรมความดีของท่านก็ย่อมจะเกิดความเรื่อมใสเกิดความเชื่อมั่นในบุญและผลบุญว่ามีจริง และเราก็สามารถที่จะเป็นสาวก ค, คือเป็นผู้กระทาตามคำสอนหรือตามข้อปฏิบัติของท่านได้อย่างไม่ต้องมีความสงสัยในคุณของท่านซึ่งในสมัยนี้พระสงฆ์ทั่วไปก็เป็นที่เพ่งเล็งของอุบาสกอุบาสิกาว่าจะเป็นพระจริงหรือหรือว่าประพฤติตนไม่สมกับเป็น สาวกของพระสัมมาสัพพุทเธเจ้าแต่เมื่อเราได้รู้ว่าการที่จะเป็นสาวกของพระสัมมาสัพพุทเธีเจ้าโดยแท้จริงก็จะต้องเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปนั่นแหละจึงจะมีคุณค่าควรแก่การเคารพกราบไหว้โดยแท้จริงสำหรับพระมหากัสปะเถระท่านมิทรงคุณ คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีความหลุดพ้นจากกิเลสโดยบริบูรณ์ชื่อเสียงของท่านเนี่ยแพ่ขยายไปจนแม้แต่ในเทวโลกเท้าสักกะเทวราชก็ประสงค์จะมาถวายบิณฑบาตแก่ท่านจึงได้ปลอมตนลงมาเป็นคนแก่ ยากจนเข็นใจพร้อมกับนางสุชาดาผู้เป็นชายาพร้อมกันนั้นท้าวสกกะก็ได้บอกกับภรรยาว่าพระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัะเถระของเราเดินมาทางนี้เธอจงนั่งทำเป็นเหมือนไม่เห็นท่านเสียฉันจะลวงท่านสักครู่หนึ่งแล้วจึงจะถวายบิณฑบาต พระเถระได้มายืนอยู่ที่ประตูบ้านของสองสามีภรรยานั้นเพราะเห็นว่าสองสามีภรรยานั้นเป็นคนยากจนที่สุดในเมืองนั้นซึ่งพระเถระประสงค์จะสงเคราะห์คนที่ยากจนสองสามีภรรยาก็ทําเป็นเหมือนไม่เห็นทําแต่การงานของตนฝ่ายเดียวคอยอยู่สักหน่อยหนึ่งเท้าสักกะ ก็บอกว่าเอ๊ะที่ประตูเรือนดูเหมือนจะมีพระเถระยืนอยู่รูปหนึ่งเธอจงไปตรวจดูซินางสุชาดาก็บอกว่าเธอจงไปตรวจดูเองเถอะนายเท้าสากะเทวราชก็ออกจากบ้านเข้ามาไหว้พระเถระด้วยเบญจางคับประดิษฐ์คือกราบที่เท้าของพระเถระแล้วเอาเอามือทั้งสองของตนเองนะ่ะเท้าหัวเขา่าแล้วก็ถอนใจ ลุกขึ้นแล้วก็ย่อตัวลงหน่อยหนึ่งบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเถระรูปไหนหนอตาของกระผมฝ้าฟางดังนี้แล้วก็วางมือไว้เหนือหน้าผากคือป้องหน้าแงนดูแล้วก็พูดว่าโอ้ตายจริงนี่พระผู้เป็นเจ้าพระมหากษัตริเถระของเรานา น, นานเหลือเกินจึงมายังประตูกระท่อมเราเอาเธอมีอะไรอยู่บ้าง ในบ้านนะ่ะบอกกับภรรยานะนี่เป็นการลวงของท้าวสักกะเทวราชนางสุชาดาก็ทําเป็นกุลีกุจออยู่สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ตอบว่ามีมีของอยู่บ้างนายท้าวสักกะจึงบอกว่าท่านเจ้าข่าพระคุณเจ้าอย่าคิดเลยว่าทานนี่เศร้าหมองหรือกระณีดนะบอกซะก่อนนะว่าของให้ทานเนี่ยอาจจะเป็นของไม่ดี หรือหรือว่าอย่าไปคิดเลยว่าจะต้องเป็นของดียิ่งปรณ น, นี่ก็คือดียิ่งนะนะขอได้โปรดทำความสงเคราะห์แก่กับผมทั้งสองเถิดคือขอให้ได้รับทานที่ตัวเขาทั้งสองเนี่ยาวายเถิดอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าบุคคลมีความเชื่อแล้วว่าทานมีผลคือเชื่อยอย่างดีแล้วนะแล้วให้ทานไปทานนั้นจะน้อยไม่มี คือความเชื่อนั่นแหละทำให้ผลทานมีมากเพราะว่าความเชื่อนั้นตรงกับความจริงความจริงคืออะไรคือทานนั้นมีผลกรรมคือการให้ทานย่อมมีผลแน่นอนใครให้ทานแล้วใครให้ด้วยความเชื่อยอย่างนี้พุทธเจ้าบอกว่าทักษิณาทานนั้นจะมีผลน้อยไม่มีเพราะฉะนั้นก็บอกว่าขอสงเคราะห์เถิดคือสงเคราะห์อันนี้ก็คือว่าเมื่อพระเถระรับ ทานอันนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะได้บุญมหาศาลคือผลเนี่ยจะประมาณไม่ได้คือนับไม่ได้ว่าเขาจะได้ผลอะไรในความสุขทั้งหลายที่ปราถนานจะสําเร็จหมดดังนี้แล้วทาว้าส ก, กัดก็รับบาตรรับบาตรมาจากมือของพระเถระพระเถระก็คิดว่าทานที่สองสามีภรรยานั่นถวายแล้วจะเป็นน้ําผักดองหรือรํา รำนะรำที่ให้หมูกินหรือรำกรรมมือหนึ่งก็ตามทีเราจะทาความสงเคราะห์แกสองสามีภรรยานี้คือจะให้อะไรก็ตามจะบริโภคแล้วนะเพราะว่าท่านถือทุดงด้วยคือไม่รับกิจนิมนต์เนะที่ยวบินถบาดไปเนี่ยไปเจอบ้านไหนบ้านไหนเขารับบาด ท, ท่านไปใส่อาหารให้ก็พอแล้วบ้านเดียวก็พอดังนี้แล้วจริงได้ให้บาดไปเท้าสั ก, กะนั้นก็ เข้าไปในบ้านคดข้าวสุกออกจากหม้อใส่ให้เต็มบาตรแล้วมอบถวายบาตรในมือของพระเถระบิณฑบาตนั้นก็ได้มีสูปะพยัญชนะมากมายคือมีกับข้าวอะไรมากมายได้หอมตรบไปทั่วกรุงราชครึกแล้วคือก็เป็นอาหารที่ป์มาที่เท้าส ก, กะท่านต้องการจะถวายแด่พระเถระโดยตรงในการนั้น พระมหากัสปะเถระคิดว่าเอชายนี้ก็มีศักดิ์น้อยคือเขาคนจนนะทำไมบินทบาตเขาจึงมีอานุภาพมากคือมีเป็นของมีค่ามากมีศักดิ์มากเหมือนกับอาหารของเท้าสักกะเอ็นนี่ใครกันแน่นะก็สงสัยเป็นธรรมดาเพราะว่าเขายากจนที่สุดในเมืองแต่กับถวายอาหารที่ดีที่สุด เมื่อพิจารณาแล้วพระเถระก็ทราบทันทีว่าชายนั้นคือเท้าสักกะคือท่านเข้าฌานอธิษฐานก็รู้ได้นะว่า น, นี่เป็นเท้าสักกะพระเถระจรึงกล่าวว่าพระองค์ทรงแย่งสมบัติของคนเข็นใจจัดว่าทำกรรมหนักแล้วคือบุญสมบัติอันยิ่งใหญ่เนี่ยควรจะได้แก่คนเข็นใจยากจนจริงๆตามที่พระเถระทรงกรุณานะ ก่อนจะมารับบินทบาทนะ่ะได้เข้านิโรธสมาบัติเจดวันแล้วก็ตั้งใจเลยด้วยความกรุณาว่าใครเนาอยากจนขอให้เขาให้ทานแล้วเขาจะได้พ้นจากความจนไปแต่ว่าท้าวส ก, กักลับมาแย่งบุญสมบัติอันยิ่งใหญ่เนี่ยของคนยากจนไปเสียเพราะนั้นทำกรรมหนักคือทำสิ่งที่ไม่ควรทำนั่นเองไปแย่งบุญของคนอื่นที่ควรจะได้ ใครๆก็ตามาาทกักษิณากราวต่อที่เป็นคนเข็นใจถวายทานแก่อาจจมภาพในวันนี้พึงได้ตําแหน่งเสนาบดีหรือตําแหน่งเศรษฐีคือผลจะได้พันทีเลยในวันนี้แหละจะเป็นเศรษฐีใหญ่หรือจะเป็นเสนาบดีเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างนั้นนะท้าวสา ก, กะจึงบอกว่าผู้ที่จะเข็นใจไปกว่ากผมนั้นไม่มีเลยขอรับนะท้าวสากา ก, ก็บอกว่าผมนี่ยังเป็นคนจนนะไม่ใช่เป็นคนร่ํารวยหรอกจนที่สุดด้วย พระเถระจรึงกล่าวว่าพระองค์ได้ทรงเสวยสิริราชสมบัติในเทวโลกจะจัดว่าเป็นคนเข็นใจเพราะเหตุใรอันนี้น่าคิดนะขนาดท้าส ก, กะเนี่ยเขาเป็นใหญ่ที่สุดแล้วในเทวโลกชั้นดาวดึงเเป็นหัวหน้าเป็นประมุขของหมู่เทวดาทั้งหลายมีนางฟ้าเทพที่ดามีเทพประบุท่อมล้อมมากมายอายุวันณนะ ความสุขกำลังความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์สิบประการี่มีบริบูรณ์หมดเขายังบอกว่าเขาเข็นใจแล้วเราล่ะเราจะเป็นคนร่ารวยได้อย่างไรหรือว่าคนในโลกนี้ที่กล่าวกันว่าเป็นคนร่ารวยเขารวยจริงหรือหรือว่าที่ที่กล่าวว่าเป็นคนจนจนจริงหรือเปล่านี่ถ้าเทียบกับท้าสักกะท้าสักกะตอบพระเถระ พระพจฉะถามพระเรเอธลายเสรยราจะสมบัติแล้วสเสวยทิพปสมบัตินะไม่ใช่ทิพปสมบัติธรรมดาเป็นราชาแห่งเทวดาด้วยเพราะพเอธลายจึงว่ายากจนท้าวสา ก, กะจึงตอบว่าอย่างที่พระพป็นเจ้ากล่าวว่าตัวท่านเองเนี่ยตัวของท้าวสา ก, กะเองสกกเสรยราจะสมบัติในเทวโลกก็ถูกและคอรับแต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังม่ได้ทรงอุบัติคือยังไม่ได้เกิดขึ้นพพุทธเจ้ายังไม่ อุบัติขึ้นนั้นก็ผมได้ทํากัลยาณกรรมคือกรรมดีไว้เมื่อพุทธทุพเมื่อเมื่อพุทธทุพ ป, ประบาดการยังเป็นไปอยู่คือก่อนที่พุทธเจ้าจะเกิดเนี่ยเขาทํากรรมดีไว้เจ็ดอยา่างมีการบํารุงเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นต้นนะเป็นข้อประพฤติของเขาประจําเลยเขาก็ได้เป็นราชาสมบัติได้ได้ได้เป็นท้าวสักกะแต่เมื่อพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็มีเทพพระบุตร ผู้มีศักดิ์คือมีบุญนั่นเองเสมอกันสามองค์เหล่านี้คือหนึ่งจุ ล, ละรถจุลละธาเท พ, พบุตรหรือจุ ล, ลรถเนี่ยและก็มหาระถะคือมหารถเท พ, พบุตรกับอเนกวันณเท พ, พบุตรได้ทำกัลยาณกรรมแล้วได้ไปเกิดในที่ใกล้ของผมมีเดชมากกว่าผมอีกอมีเดชมากกว่าท้าวส ก, กะซึ่งเป็นราชาของเทวดาอีกก็กับผมเมื่อเทพบุตรทั้งสมนั้น พาพวกบริจาริกาลงสู่ระหว่างถนนด้วยคิดว่าจากเล่นจกเล่นนักขัดระเริกคนมีบุญหรือเทพหรือเทพบุตรที่มีบุญเขาก็จะทำอย่างนั้นนะนะพาพวกบริวารลงมาสู่ถนนเพื่อจะมาเที่ยวการละเล่นดูการละเล่นต่างๆเนี่ยตัวเท้าส ก, กัต้องหนีเข้าตำหนักเพราะสู้อำนาจบุญเขาไม่ไหว เดชแห่งสรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้นท่วมทับสลีระของกระผมคือแสงสว่างเนีออกไปอย่างรุนแรงมากเลยเดชแห่งสลีระของกระผมเนี่ยไม่สามารถจะท่วมทับสลีระของเทพบุตรทั้งสามนั้นเพราะฉะนั้นใครจะเข็นใจกว่ากระผมแล่าขอรับเอาเขาเข้าวัดกันที่บุญนะบุญก็ต้องเอาที่ตัวเลยเอาที่กายเลยว่ามีแสงออกไปแค่ไหนเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าเขาเนี่ยากจน นี่เป็นอย่างนี้เป็นเหตุผลของเท้าสักกะคือคนเรานะมันก็โลภเพื่อตัวเองนะอะไรเนระาคิดถึงตัวเราเองก่อนที่จะมีคนอื่นเนี่ยเขามามีมากกว่าเราเราก็ว่าตัวเราเนี่ยด้อยกว่าเขาแต่ถ้าเราใหญ่กว่าเขาได้มากกว่าเขาเราไม่ว่าอะไรนะเราไม่คิดนะว่าเออเราเหนือกว่าเขาเราไปเบียดเบียนเขาเราไม่คิดนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติของไอโลภะมันรักตนหรือ สักกายทิฏฐิเนี่ยความเห็นว่าตนเนี่ยมีมันจึงเห็นว่าตนเนี่ยสาคัญหรือมานะความถือตนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเรามีนิดมีหน่อยเนี่ยเราจะต้องไปเทียบกับคนอื่นถ้าเรามากกว่าก็ดีไปถ้าน้อยกว่าก็จะเกิดอิจฉาหรือลิษยาเนี่ยอย่างที่ท้าวสักกะเขาเกิดขึ้นแตทั้งที่เขาก็มีความสุขมหาศาลแล้วเพียงแต่ว่ามันใหญ่แพ้กันเท่านั้นเองพระเชษะจึงกล่าวว่า แม้เมื่อเป็นอย่างนั้นนะถึงจะเป็นคนเข็นใจในดาวดึงก็จริงแต่นี้ต่อไปพระองค์อย่าได้ลวงอย่าได้หลอกลวงมาถวายทานแกอาจจะมาภาพอย่างนี้เลยนะไม่มาหลอกลวงพระสมัยนี้มั่งนะพระสมัยนี้จะได้ชอบใจกันใหญ่แหมท้าวสักกะเทวราชมาใส่บาตรเราอะไรอย่างนี้จะได้คุยกันติดปีเลยแต่นี้พระเถระไม่คิดอย่างนั้นอีกเนี่ด้วยความกรุณาของท่านนะ เพราะว่าอย่าหลอกลวงอาตมาภาพอีกนะขอให้อาตมาภาพเนี่ยได้รับบาทจากคนยากจนเข็นใจจริงๆเท้าศักกะจึงบอกว่าเมื่อกระผมลวงถวายทานแก่ท่านกุศนละจะมีแก่กระผมหรือไม่มีนะบุญจะได้ไหมนะครับว่ากุศลก็คือบุญนั่นแหละกุศนละมันแปลว่ากำจัดหรือตัดบาปได้เนี่ยนะ จะมีหรือไม่มีเมื่อเมื่อรวงหลอกลวงอย่างนี้พระเถเรซก็บอกว่ามีพระองค์เพราะเป็นกรรมเป็นกรรมดีด้วยนะถึงจะลวงตอนหน้าตอนหน้ามารวงแต่ตอนให้ตอนตั้งใจจะให้จริงๆแล้วก็ให้ไปนะ่ะไม่ลวงนะเป็นเจตนาให้จริงๆท้าวสากาัะจึงบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นการทํากุศลกรรมก็จัดเป็นหน้าที่ขอกระผมที่ขอรับทนะ้าวสากัดนี่เป็นคนฉลาดเพราะนั้นเมื่อมีเมื่อได้บุญอย่างนี้ เมื่อเกิดเป็นบุญอย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เขาก็จะต้องทำกุศลกรรมอย่างเดียวนะเมื่อเท้าเธอตัดอย่างนี้แล้วทรงไหว้พระเถระก็พานางสุชาดาทรงทำประทักษิณพระเถระแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศทรงเปร่งอุทานว่าโอทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านพระกัสปะก็นะ เปล่งถึงสาครั้งนะปลื้มใจและเกินมาโอ้โหเราได้ทำทานอันเยี่ยมเลยนะ mm hmm. แดพระเถระพระมหากัสปะนี่แหละเพราะว่าท่านออกจากที่โลธสมาบัติเนี่ยปลื้มใจในทานและผลของทานว่าสูงสุด mm hmm. เพราะเหตุนั้ น, นพระธรรมสังคาอาจารย์ทั้งหลายจึงได้กล่าวเรื่องของพระมหากศสปเถระเอาไว้นะใน มหากสปะเถระทานสูตรซึ่งก็คงจะไม่ต้องอ่านซ้ำมานะเพราะว่าเนื้อความก็จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาคือท้าวส ก, กะเนี่ยได้กล่าวถึงสามผลเปงอุทานด้วยความพลืมใจบีติใจเนี่ยทานอย่างนี้มีผลมากนะคือทานที่จะมีผลมากเนี่ยจะต้องเกิดด้วยองค์ประกอบอยู่สามอย่างน ะ, นะคือเกิดด้วยปัญญา ปัญญาก็คือเห็นว่ากรรมมีผลของกรรมมีต้องรู้จักกรรมดีและผลของกรรมดีแล้วก็ต้องอประกอบด้วยความปลื้มใจนะปรีติใจอย่างแรงกล้าจนอุทานเลยคือเก็บเอาความปลื้มไว้ไม่ไหวจนต้องมาอุทานว่านี่เป็นสมบัติอันเลิศของเราเป็นกรรมดีอันเลิศของเราและประการต่อมาคือไม่ต้องมีใครมาชักชวนให้เราทำนะ คือท้าวส ก, กัดเนี่ยเขาทำเองเขาไปทำเองเลยถึงเขาจะออกอุบายแปลงตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาเองว่าเราจะถวายทานพระเถระให้ได้ละด้วยวิธีการอย่างนี้จะทำบุญให้ได้ถึงจะหลอกลวงก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นเขาจึงปลื้มใจนะได้ในบุญของเราบุญของเขาที่เขาได้ทำว่าโอ้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านพระกัสสป ถ้าเราทําบุญแล้วเราเนี่ยสามารถเปล่งอุทานในใจหรือออกมาทางวาจาได้ด้วยความพิติจริงๆนั่นเรามีผลมากเนะพราะครบองค์คือประกอบด้วยปัญญานะหรือศรัทธานะหรือศรัทธาประกอบไปด้วยคือเชื่อเลยว่าทานนี้ต้องมีผลมากแล้วก็ปลื้มใจว่าเราจะได้ผลมากอันนี้แหละนะแล้วก็ทานนั้นเกิดขึ้นด้วยเราทําเองไม่ต้องมีใครมาชักชวน อันนี้เป็นวิธีการที่จะทำทานหรือบุญทั้งหลายหมดอะอย่างที่ท่านบอกไว้ว่าก่อนจะให้ก็ต้องดีใจดีใจว่าเราจะได้ให้ทานเมื่อขณะที่กำลังให้ก็ต้องเลื่อมใสเนี่ยพรเทเถละมหากาสปะเนี่ยเป็นบุคคลที่เท้าสกะเลื่อมใสแล้วในคุณคือศีลเป็นต้นแล้วหลังจากให้แล้วก็จะต้องปลื้มใจว่าโอ้เราได้ให้ ทานที่ดีเยี่ยมไว้แล้วในพระมหากัสปักถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วผลนี่นับไม่ได้เลยคือมันดีทั้งสามเวลาก่อนจะให้ขณะกำลังให้แล้วก็ได้ให้ไปแล้วพระผู้มีประภาคเจ้าประทับยืนอยู่ในพระวิหารนั่นแหลได้ทรงสดับเสียงของเท้าสักกะก็คงจะอยู่ห่างกันพอสมควรนะเพราะว่าอา่า เท้าส ก, กะเขาเปล่งเสียงอุทานในกลางเวหาเสียงก็ดังพระศาสดาจึงตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วจัดว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเท้าสกกะผู้เป็นจอมแห่งราวเท พ, พเจ้าทรงเปล่งอุทานเสด็จไปทางอากาศเหาะไปทางอากาศภิกษุก็ถามว่าก็เท้าสกกะนั้นทำอะไรพระเจ้าข้า พระพุทธองค์ทรงตัดว่าเท้าเธอลวงถวายบินถบาศแก่กัศปะผู้บุตรของเราขั้นถวายบินถบาศนั้นแล้วดีพระไทยพรางทรงเป่งอุทานไปพระพุทธเจ้าก็บอกความจริงเลยว่าดีใจที่ลวงหลอกลวงแต่ทำบุญอันยิ่งใหญ่ในพระมหากัศปะซึ่งเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือรับมรดกธรรมะของพระพุทธเจ้าไปได้โดยเฉพาะสมาทานทุดงเนี่ย นั้นก็ดีใจอย่างยิ่งเปล่งอุทานไปอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะเท้าสักกะมาลวงพระมาหากัสนปะไต่บาตรสมัยนี้พระสงฆ์จะหลอกลวงชาวบ้านใส่ให้ใต่บาตรหรือเปล่าอันนี้ก็เรื่องราวมันก็มีปรากฏขึ้นอยู่เรื่อยๆภิกษุได้ทราบอย่างนั้นก็ถามว่าเท้าเธอทราบได้อย่างไรว่าถวายบิณฑบาตแก่พระเถระ นั้นเป็นสิ่งสมควรพระเจ้าข่าท่าก็ก็ถามต่ออีกว่าเออคื อ, อพระภิกษุก็ก็ช่างถามนะว่าทําไมถึงรู้ได้ว่าการถวายบิณฑบาตแก่พระเทพร ะ, ะเป็นสิ่งสมควรพระศาสด า, า, าตัดว่าภิกษุทั้งหลายทั้งหลาวเทพเจ้าทั้งหลายมนุษย์ย่อมพอใจภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัด เป็นวัดเนี่คือเป็นประจําเป็นปกติของชีวิตเที่ยวบินบินบินธบัติคือเดินบินธบาติไปด้วยกําลังปรีแข้งเนี่ยไม่รับกิ่นิมนต์เนี่ยน ะ, ะย่อมพอใจภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินธบาติเป็นวัดเช่นว่าเช่นบุตรชื่อว่าเช่นบุตรของเราดังนี้แล้วแม้พระองค์เองก็ทรงเป่งอุทานแล้วนะพะพุทธเจ้าก็เปล่งอุทานเหมือนกันนะเป่งอุทานว่ายอย่างไร เ ท, นะเทวดาและมนุษย์ผู้ที่ชอบว่าปลื้มใจนะปลื้มใจว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจแก่ภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดผู้เลี้ยงตัวเองไม่ใช่เลี้ยงผู้อื่นผู้มั่นคงผู้เข้าไปสงบแล้วมีสติทุกเมื่อนะคือคุณของพระเถระเนี่ยเป็นที่เลื่อมใสยินดีก็คือเลื่อมใสชอบใจเคารพอย่างแรงกล้าด้วยศรัทธานั่นเองนะเพราะฉะนั้น พอใจอะไรพอใจในคุณความดีของพระเถระที่สมาทานทุดงทื่อ่อเที่ยวบินธบาตเป็นประจำและได้บินธบาตนั้นก็มาเลี้ยงตัวเองไม่ใช่เอาไปเลี้ยงบุตรภรรยาอะไรที่ไหนเป็นผู้มั่นคงนั้นก็คือว่าไม่หวั่นไหวจะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศจะได้สารเสริญดินทาหรือจะได้สุขได้ทุกเนี่ยก็ไม่หวั่นไหว ผู้เข้าไปสงบแล้วแล้วก็มีสติทุกเมื่อมีสติทุกเมื่อคือไม่ขาดสติเลยเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นเป็นคำตอบว่าทำไมเท้าสักกะจึงมาถวายบินทบาตแด่พระมหากัสสปะเถระเพราะว่าเรื่มใสยอย่างแรงกล้าในคุณของพระเถร ะ, ะเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราจะถวายทาน ในบุคคลใดเนี่ยถ้าเรารู้คุณของบุคคลนั้นซะก่อนให้ดีเนี่ย mm hmm. กาลังแห่งความรู้และความศรัทธา mm hmm. ก็จะทำให้เราเกิดมีปิติ mm hmm. เกิดมีความเลื่อมใส ย, ยินดีจะให้นะ mm hmm. ยังไม่ยังไม่เสียดายเลยนะ mm hmm. คือศรัทธามันเต็มร0อยเปอร์แล้พระพุทธเจ้าเองก็ปลื้มใจนะปลื้มใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ท, ท, ที่น่าเลื่อมใส คือท่านพระมหากสรสปาเทระก็ทรงคุณที่น่าเลื่อมใสแล้วเทวดาและมนุษย์ก็พอใจยินดีความพอใจยินดีของมนุษย์และเทวดานั้นก็เป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสเพราะนั้นพระสมายพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงได้เปล่งอุทานด้วยอํานาจความสมนัติสมนัติคือดีใจอย่างแรงกล้าจนต้องเปล่งอุทานออกมาเหมือนกันนี่ก็เป็น เรื่องที่มีในพระสูตรนะทีนี้ต่อมาพระสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงเป่งอุทานนี้แล้วก็จัดว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งหลาวเท พ, พเจ้าได้เสด็จมาถวายบิณฑบาตแก่บุตรของเราเพราะกลิ่นแห่งศีลกลิ่นของศีล น, นะได้วลตัดพระคาถานี้ว่าอพะพมโตอยังคันโท ยาวายังตะคารา จ, จันดมนีโยจาสิลวตดังคันโทวาดีเดเวสุอุตโมแปลว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นกลิ่นสนและกลิ่นจันเป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายเป็นกลิ่นชั้นสูงย่อมหอมฟุ้งไปในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์ อธิบายเนื้อความตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าท้าสกะเทวราชเนี่ยมาถวายทานเพราะอานุภาพแห่งความรู้ในศีลและเลื่อมใสในศีลว่าทานที่ถวายในผู้มีศีลเนี่ยมีผลมากเหลือเกินกลินของศีลเนี่ยคือความดีของศีลหรืออนุภาพของศีลหรืออนิสง์ของศีลเนี่ย มีมากมากยิ่งกว่ากลิ่นดอกไม้กลิ่นของแก่นไม้ใดๆคือกลิ่นของไม้กฤิศนาหรือไม้จันที่เรานิยมกันเนี่ยในโลกนี้ชื่อว่านิดหน่อยเท่านั้นเองเมื่อไปเทียบกับกลิ่นของผู้มีศีลกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายนั้นหาได้เล็กน้อยไม่นะเพราะว่าเป็นกลิ่นอันยิ่งใหญ่แร่ซ่านไปเหลือเกิน กลิ่นศีลนี้เป็นกลิ่นสูงสุดคือประเสริฐเลิศฟุ้งไปในลาวเท พ, พเจ้าและลาวมนุษย์คือกลิ่นความดีของท่านว่าท่านเป็นผู้ออกบวชอย่างนี้นะท่านเป็นผู้สำรวมศีลอย่างนี้เป็นผู้มีสมาธิอย่างนี้เขาสรรเสริญท่านไปถึงลาวเท พ, พเจ้าในสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือชั้นพรหมมาโลกเพราะนั้นเทา้าส ก, กเทวราชจึงได้ลงต้องลงมา เพื่อถวายทานด้วยอำนาจของศีลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวอย่างนี้ว่ากลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายนั้นเป็นกลิ่นอันสูงหรือกลิ่นชั้นสูงสูงกว่ากลิ่นน้ำหอมใดๆที่มนุษย์โลกเนี่ยทำกันมันกลิ่นของความดีนี่ยิ่งใหญ่เราอย่าไปดูหมิ่นว่าเรารักษาศ<ม>ีลแม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยจะไปมีคุณค่าอะไรนะมีนะ ปริญของศีลนับประมาณไม่ได้ขอให้เรามีถ้าจริงๆว่าเราเนี่ยแม้วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยไม่ได้คิดฆ่าสัตว์เลยไม่ได้คิดลักขโมยทรัพย์ผู้ใดเลยไม่ได้คิดแกล้งกล่าววาจาให้เคลื่อนจากความจริงเลยถ้าถ้าเรามีจริงๆเนี่ยไอความดีอันนั้นมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่โดยตัวของของเขาเองแล้วก็ยิ่งใหญ่โดยผู้ที่มารู้ ว่าเป็นของหายากนะคนมีศีลในโลกนี้ในหายากที่มาสมัครเลือกตั้งการเมืองกันเนี่ยก็บอกกันว่าเป็นคนดีกันทั้งนั้นทนำะไมเคยมีใครมาบอกว่าเป็นโจรกันสักคนหนึ่งแต่ถามว่าความดีของเขานะ่ยเขามีศีลจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ของพระเถระเนี่ยมีแน่นอนมีศีลแน่นอนหรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีศีลแน่นอน รู้ได้ยังไงก็รู้ได้โดยคําสอนของท่านนี่แหละคําสอนของท่านเนี่ยชัดเจนเลยว่าท่านเป็นผู้มีศี ล, ลเพราะบางคนเนี่ยอยากจะรักษาศีลแต่ก็ไม่รู้จักศีลก็มีความรู้สําคัญที่จะไปรู้จักวันนี้เป็นศีลแล้วต้องรักษากันอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านรู้ดีจึงได้แสดงเรื่องศีลไว้โดยปริบูรณ์มากมาย ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลมีโสดาปติผลเป็นต้นเทศนาได้เกิดประโยชน์แก่มหาชนแล้วก็จบเรื่องการถวายบิณฑบาตแด่พระมหากัสสปะเถระนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจในชีวิตของท่านนะที่ได้สร้างคุณประโยชน์อนเออนกอนันแก่ ผู้ยากไร้หรือว่าแก่ลาวมนุษย์และเทพเจ้าถึงแม้ในปัจจุบันนี้ก็ตาม เ, เรายังะระลึกถึงคุณความดีของพระมหากัสริเทละก็ยังบูชาได้นะยังบูชาความดีของท่านได้นะด้วยการกล่าวสรรเสริญด้วยการประพฤติตามหรือว่าถ้าจะบูชาท่านโดยโดยวิธีให้ทานก็ต้องถวายสังฆทาน นะข้าพเจ้าขอนะบูชาศีลของพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นพระมาหากัสสปะเถระด้วยทานนี้แล้วก็ถวายทานไปไม่ต้องไปเจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งนะไปเจอพระภิกษุหรือสามนเณรก็ถวายได้เลยอันนั้นก็ชื่อว่าได้บูชากลิ่นศีลของท่านเหมือนกันเพราะนั้นเรา